ไมต้องการอะไรในไ่เมันแสดว่าท ต, ต้องการความประณีตที่ความประณัตเป็นพื้นฐานหรือเป็นเวทีของการทำงานได้แต่ยิบต่อภาวนาแตรยิบต่อภาวนาเป็นการเป็นงานปากชีวิต จ, จิตใจไว้กับการงานคือยิบต่ภาวนาจริง เ ร, ร า, รร า, าจะเห็นได้ว่ า, กก ม, ามั น, ม น, น, น, น, นผิดตนงาสนาไหนศาสนาอุณหภูมิศาสนาตกวนั้นไม่ว่าพระคักวะข้ว่าวข้าข้าวข้าวข้าวขารข้าวข้าวข้าวข้าวข้งจข้าวขราอข้าวข้าว้าว้าวข้าวข้าวข้ามาวี้าวข้าว้วก็เห็นไวข้า้ว่าวกลาวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวคราะข้าวข้ลวข้าวาวข้าวข้าวข้าวขวข้วขกาวข สอน่านจงแต่เดินจงขมลังสมาธิภาวนาบอกแต่สถานที่เหมาะสมบอกแต่อตุบายวิธีที่จะแก้ี่รุธปัญหาอัจฉระเป็นหมู่เช่นนั้นดังที่ไปพูดเสมอว่าทําทุกวันฉันนาที่านกล่าวกันเป็นพื้นหการฉันนาการนั้นมีอส <bunker. S 1> kind of ันเลขาทางเป็นสํา <respuesta>. คัญสันเลขาแปลว่าซากฟอกเนี่ย ขัดเกลว์ซักพ่อพิเล็กคำพูดก็ให้เป็นการซักพอ่อกิริยาแสดงออกมาก็ให้เป็นการซักพอ่อทิเลกจิดคิดออกมาก็ให้เป็นการซักพอ่อคือสมชื่อจึงสมชื่อสมนามของผู้มาชำระซักซ่อพิเล็กออกจากใจนาชัยผู้มาสังสมแต่เวลานี้มีแต่กิริยาเข้าไปบวชคาว่าบวชนี้ได้พื้นเผยมาตั้ง แต่ข้างกุตการ์การบวชก็คือการไปสดับทีวิตไปตัดที่เหลนปัญหาสวรรค์หลายอย่าเชื่อนตรงนั้ น, น, นบวชเวล า, าก็ทําไม่ทําอย่างนั้นเป็นการสั่งสมที่วิตระดับตรงมันข้างเขาหลับทำอย่างนี่นไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงคํานึงถึงร่องรอยที่ท่านแสดงไว้ในตําหนักตาลา เขามาเป็นหลักเป็นส่วนั่นแหละเป็นหลักแท้เป็นอุบายวิธีที่ท่านได้ดำเนินมาแล้วทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอใจจึงได้วางร่องลอยเอาไว้ให้ผู้ต้องการชำระภาษานิรลศได้ดำเนินตามวิธีการของท่านที่ได้ผลมาแล้วอย่างไรและได้วางร่องอยเอาไว้แม้นั้นเราจะไม่เห็นทาบเห็นร่องลอยเลยนะจะมีแต่ ตัวหนังสืออยู่ในคำพินมรรคผลนิพพาอ่าก็อ่านมันไปงนั้ น, น, นเรียนก็เรียนมันไปยงนเรียนอเอเเสียงเรียนสังสมกิเลสเียการเรียนก็เรียนเพื่อสังสมุขกิเลสถ้าปฏิบัติไม่ทราปฏิบัติห น, น, นึ่นงนะนไม่ากฏเลยทงปฏิบัติก็พ้ในั้นแการสังสมกิเลสไปในตัวองด้วยจึงผิด ถ้าประสงค์ของพระพุทธเจา้าแนความมุ่งหมายขงาา้งศาสนาธตรมให้พากานคิดให้ดีมากต่อเพื่อปฏิบหมิอย่าคอยเอาตแต่ความคิดความรู้ความเห็นจากการได้ยินในสังของครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่พอกับความต้องการสังคุบาอาจารย์สอนสอนให้เฉลี่ยทําไรทําอย่างไรท่านเ้หลานต้องเป็นนักคิดนักกล้วยขวานักคิดปรินาติดต่อด้วยความมีสติ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธเกี่ยวข้องกับทางตาของสมองลิ้นกายใจของตนไม่นั้นจะหาความสลาดไม่ได้ถ้าสติปัญญามันก็ดิกต <nei, S 2> ัวเลยหาความฉลาดไมได้จนกระทั่งมันตายพระพุทธเจ้าพระสาวุทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาศรทาความเพียรในอัจฉริยะฉลาดโดยการนเฉยเฉยเดินจงกรงก็แบบคนสิ้นภาคปฏิริรอยสติไม่มีดามรักษาเลย เดินจะเท่าไรแล้วเขาผิดอะไรกับเขาเดิ น, นติดตามเขนงท่านท่านสิ่งที่ติดกานก็คือสติปัญญามีเครื่องยืดพื้นจิตใจที่ล่มจมด้วยอนนานาจแห่งการกดขี่บังคับของจิเลุดให้ขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระภาพก็ด้วยสติกับปัญญาคำว่าศรัทธาความเพียงคือเชื่อต่อหน้าต่อฝนเชื่อต่อการทำนี้ว่าเป็นไปตามลำดับของเรเวล า, าต้องหรือพ้นโดยลำดับนี่ ความเพียงเป็นต้องหนุนไสมอหนุหนให้พยายามที่หนุนให้ตัง้งสติหนุนให้ได้สัญญาหนุนให้จิดให้จางในการชนาที่ดุไม่ให้จืดทห้จางในเรื่องความมีสติในเรื่องความคิดอ่านแกล้งเรียกว่าความเพียรมเพียรอยู่ที่จิตนั้นะรักใหญ่อยู่ที่จิตอาการกายอย่ น, นี้เป็นแต่เพียงอาการ เดินไปเดินมาถ้ามีสติก็ไม่คิดแอร์แล้วก็เดินเล่นเขาเดินเล่นเขาไม่มีเจตนาประ ก, กอบความเพียนยังไม่เลวยิ่งกว่าเรา ท, ที่เดินตั้งคิดว่าตนเดินจนเกินกนั่นสมาธิแต่หาสติไม่ได้คนนี้เร็วกว่านั่นเร็วกว่าเขาเดินธรรมดาเพราะนั้นเราอยาให้เป็นอย่างา น, นี้เวลาไรน อิอทธรพลต้อมัดเรื่องทำเลืองตื่นอย่างละเอียดเพี่อกิจารณาพลังงานในในตําหนักตําราเป็นขิตเครื่องเตอนกันได้ดีทุ่มเนี่ยทุ่มม่ ง, ง, ง, งถ้าเราใช้ติตใช้ตําราพิจารณาตามธรรมะทั้งหลายจะมีคุณค่าโดยลําดับในตําราอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนกับนักขุน่อแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาเวราแก้มาหนึ่งถึงไม่รู้ว่าแก้คือ มอกจากปุ่นไม้เท่านัา้นมันถึงจะรู้ว่าคุณถอดอนี้เปเริ่อที่เรือดตันหาแล้วมันซ่ามั่บมๆอะไรเป็นเรื่องของเดือดันหามันติดเป็นตัวพันดืกดืดไม่มีรังอิ่มพอถ้าอะไรเป็นอักเป็นทังที่เปรียบเหมือนกับว่าแก้โซขามันไม่ค่อยอยจะเล่นด้วยความเพลินก็อ่อนเข่าอ่อนเล่นยังคนเพรเข่าอ่อนนั่งของมันก็ดูจะแตกร่างจะแตกออกมาในขณะนั่งพอยน์เขาจะตั้งสติจะต้อง เพื่อในและปัญญาเพื่อการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตนบ้างก็อ่อนแอไปหมพท้อแท้เลยน้ำสร้างคนเชื่ให้กิเลสที่เหยียบย่ทำลายเหมือนจะไม่มีหวังแล้วการประกอบความเพียรจิตไม่งก็เคยมีความสงบเลยเ <Yeah. S 1> นี่ยเนือเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งมวล ท, ทั้งที่เดินอยังกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละแต่การทํางานเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส บังคับให้ทำไม่ใช่อนาคของทำบั ง, บงคับให้ทำแล้วจะเป็นอักเป็นธรรมมาจากที่ไหนเราคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมันจึงมีข้อทดสอบกันมันจะมีการบวกโลกุณหานได้เห็นผลจากโบกุณหามากน้อยขาดทุนหรือได้กำไหนมันก็รู้ผลตกออกมาอย่างไรบ้างถ้าใช้ปัญญาต้องรู้ต้องเข้าใจตัวเองวันนี้เราเดินจริงคงทั้งนั้นนั่งภาวนาทั้นั้ น, น, น, น, น, นจิตทุกข์กับสติกปัญญา ไม่มีความสัมพันธ์กันขนาดไหนหเหีืยว่าแบบเขาเดินตามบ้านตามเมือนหรืแบบคนเขานั่งอี่ธรรมดานะเขานั่งธรรมดามดีกว่าเรานั่งชินท่าไมนมีสติอยู่ภายในตัวขนาดที่นั่งภาวนาต้องคิดต้องเตือตนจะาของเสมองคู่กัิบัติต้องความดุจพ้นอย่านอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะพาให้นอนใจได้แล้วนยุนท่านบอกไว้หมดทุอกอย่าง อย่าเสาะอยสะแสวงอย่ดิ้นรนเป็นเรื่องของไฟเพราะอาหาไฟทั้งนั้นอันนี้จำทุกขังหน้าตาบอกไว้แน่นอนที่ไหนอย่ายืดให้จำทุกขังหน้าตาเกี่ยวเหมือนกับไฟถ้าพยาดามยืมก็เหมือนกับไปจับไฟพิจารณาเรื่องให้จำทุกขังหน้าตานั่นจึงนถูกถ้าไปติดนี้ สมมติตอนนี้จังทุกขังาตางไม่ว่ามากว่าน้อยต้องเป็นทุกข์ประทังความหนักเบาของสิ่งนั้นๆที่จิตใจปฏิบติไปข้ อ, ของไง ก, กางนานะอะไรก็ไม่มีนีแต่การเดินตะพุ่มหนักนะที่ภาวนาสังเกตจิตใจขอาเราโดยไถเดียวทําไมจะไม่เข้าใจทำไมรู้วิถีทางเดินของจิตเหตุมันเดินด้วยอุบายวิถีใดเพราะเราใช้สติปัญญาพิจารณาตรวจสองดูมัน สติปัญญาเป็นน้ำแข็งมากที่จะรู้ช่องทางของกิเลสอุบายวิธีการกิเลสหลอกมราต้องถึงเราเราต้องทราบเลยว่าจะเป็นการแสดงขึ้นเป็ราคะกฎิเป็นโทสะกรือเป็นงดมิตรอะไก็แล้วแต่นั่นจะขึ้นที่ใจถ้าใจได้ประคับคระคองตัวเลยแล้วอะไรขึ้นมาแม่ก็รู้แม่ก็รู้เพราะใจก็แท้รู้สติคอยรับทราบเสมอเสมอนะครับกฎเกณฑ์ดูเหตุดูผลกันอยู่ที่ตรงนั้นหายไม่หายก็ไม่ต้องไปคาดแต่กันเอง ต้องการความต้องการเป็นตัญหาทุกเกิดขึ้นอยากให้ทุกหายไปความไม่สะดวสบายใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปโดยไม่ทําเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการชําระนั่นก็หายไปไม่ได้ยิ่งจะเพิ่ความทุกข์ขึ้นมากมายเปัญหาที่ตรงหวางไม่ได้อืค้าข้อสังเกตจิตเป็นสำคัญพยายามให้เพื่อนนะครับมีได้มีโอกาสประกอบความภักเพียงรารัตดาสงวนอยู่เพื่อนมาก เรารักสมาธิธรมมากในรักการเดินจงกนมั่งสมาธิภาวนามากเราถือเป็นเมื่อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับงานเหล่านี้จริงจริงเพราะผลเป็นที่ถึงไปความหลุดพ้นจากทุกได้กับพวะงานอันนี้งานอื่นใดไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้ทิ่ของงานกิจตภาวนาคือการชำระประสานจิเหลุดด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาของเรที่คนจะเป็นไปได้อยากให้ เพื่อนฝูงได้เข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องคำว่าสมาธิเป็นต้นไปเป็นยังไงสมาธิมีความสงบเป็นอย่างไรบ้างถ้าจิตจดจ่ออยู่กับสติปัญญาจด จ, จ่อจอยู่กับจิตสังเกตจิตอยู่เสมอจิตจงมีเวลาเพิ่มขึ้ความมึนความนีมาเป็นยาพิษเผาการตนเองอยู่ตลอดมาจิตจะต้องมีความสงบถ้าจิตมีความดื้อด้านลดผลประการใดใช้สติดปัญญาสกัดรักกานี้ รัากั้นโดยอุบายต่างๆสติปัญญาเหนือกว่าจิตเล็กต้องยอมจำนนดังที่เคยพูดแล้วว่าปรญญาลงสมาธินั่นเป็นวิธีการหนึ่งคือวิธีการในขณะที่มันถาโถมก็ต้องใช้กันอย่างเป็นเหนียวเอากัะเหมือนแตเป็นแตตายในขนามนั่นจริงๆเกินกระทั่งเข้าออกหาใจไปแล้วจิตมันหดตัวเข้ามาหมอกร่าเคําว่าจิตหมอกร่าของหมายจิตเล็หมอบรากขารขาเากข้ามานั่นเองช่วยสติปัญญาไม่ได้ นี่แหลที่เราจะได้คำพูดมาพูดดางเต็มปากนี่เราก็ได้ในเวลาภนานั่นเองนะาบางครั้งขีดผากโผล่ไปทางา้ากผอมใส่กันก็จนน้ำตาล่วงมันเอาจนเห็นโผล่ขนาดนั้นมันถึงกันจริงๆ น, นะเวลามันเป็นแก้กันอุบายทันมันเห็นโผล่นั่นมันนั่นของนี่ตา ก, กดชัดเจนแล้วในตัวขเราเอง ท่านช้าจะตีปัญญาพิจารณาเป็นฐานหนึ่งขันเพราะความทุกข์ความลําบากมันทับถมโจมตีภายในร่างกายเนื่องจากการนั่งนั่งนานอันนี้เขาจะช้าจะตีปัญญางานของเราที่เคยทําอยู่กับส่วนใดชิ้นใดก็ตามอันเป็นส่วนชิ้นของการส อ, อนานาเหมือนกันแต่ต้องนัดล่อ เวลาทุกเวทนามันโหมตัวเข้ามาเป็นที่ต้องปล่อยนั้นก็ออนามาต่อสู้กันด้วยปัญญาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยหมุนติ้ยอยู่ในทุกข์ก็กำหนดด้วยอย่างจริงใจไม่ยอมลดละสะติสตินี้จ่อจริงๆเหมือนนักมวยก็ต่อยกเถอไม่ได้เถอเป็นเสียท่าทั้งทีนี่ก็ต้องเป็นที่นั้นขุดค้นกันถึงเห็นดำเห็นแดงรู้จริงเห็นจริง แยกประเภทกันออกเป็นจัดเป็นสว่วนเป็นสว่วนด้วยความเข้าใจจริงๆเมันไม่เข้าใจธรรมเนียนั้นแล้วความอัศจรรย์าะไม่เกิดได้อย่างไรพลังจะอัศจรรย์แค่จิตไม่มีในโลกอย่นี้แล้วอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันเวาสืบสัทได้แล้วอะไรจะเกิดกว่าจิตก็ไม่มีจิตกินของจําคัญและเป็น ฐ า, านะอันเหมาะสมกับอัตธรรมทั้งหลายมีมรรคผลุปทานเป็นสำคัญแล้วหนึ่งพยายามเอาจิตให้ได้พยายามฝึออกอบรมการอดอาหารนั้นยิ่งเป็นการทุ่มเทกําลังลงอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งหน้นหนะักผิดธรรมดาอยู่มากอดอาหารผ่อนอาหารก็เพื่อจะสติสตังของเราจะได้คล้างตัวเมือ่อผููถูกกับ ติดนิสัยถูกกับการอดอาหารการป่อนอาหารการทรนานในเวลานั้นจะคล่องตัวผิดกว่าเวลาปกติธรรมดาที่ฉันอยู่ทุกวันแต่ท่านติดนิสัยไม่ถูกแล้วมันก็คลิกไปสูน่นรกกลายเป็นความกังวลวุ่นวายไปกับเรื่องอาหารการกินเป็นตัญญาลงไปหมดไม่เป็นความเปลี่ยนให้เช่นนั้นเรียกว่าไม่ถูกใจิผู้ถูกผลิตร่างกายก็จะเบาตัวลงและจิตใจก็จะคล่องตัวการ ทำความเพียรด้วยสมาธิสติก็วยดีมันจะพ่ออย่างยิ่งควา ม, มง่วงง่วงเอาห้องนอนก็ไม่บรบกวนนี่ก็พอให้เราทราบไปชัดว่าการง่วงเหาห้องนอนมันเป็นเพราะอนาจของอาหารที่ขัดขืนพอเราเราพอทราบได้พออดไปถึงสองวันสามวันแล้วควา ม, มง่วงที่ไหนไม่เห็นมากวนนั่งอยู่เท่าไหร่เราเป็นเหมือนหัวต่อต่อ ก, กําหนดให้จิตสงบมื้วก็แนวของมันลงไปไม่มีอะไรกวนใจเลย ถ้าจะออกทางด้านปัญญานี่ก็หมุนที่อยู่ทียเหมือนน้ำซับน้ำซึมเครั่องตัวคือความถูกเจลิตนิสัยไม่ว่าขั้นใดของจิตตภาวนาของธรรมภาในใจเมื่อถูกกับเจลิตเช่นอย่างการอดอาหารการต่ออาหาแล้วบูบาวิธีด้วยการทำเช่นนี้เป็นเครื่องสนับสนุนตลอดไปถ้าเจลิตนิสัยไม่อำนวยแล้วก็ขัดตลอดไปเหมือนกัน เราอยากไปคาดไปหมายออกจากเนื้อจากตัวไปแต่พ่ออย่างยิ่งคือออกจากใจไปว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอยงคณิกะสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอุปาจารสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคาดมันเดาไปนะอภ ป, ปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นอยานัา้นจิตรวมถึงรวมอย่างนั้นนั้นจิตลงก็ลงอย่างนั้นอย่างนั้นมันมากมันคาดมัหมายจากความจริงที่ซึ่งเป็นผู้จะเป็นไปเสีย อันใดที่จะเป็นก็คือใจจะเป็นสมาธิประเภทใดก็คือใจวิธีการที่จะทําให้เป็นสมาี่ประเภท น, น, นั้นตามหลักธรรมชาติคือผลที่เกิดขึ้นตามหลักโดยหลักธรรมชาติเพราะอํานาจของเหตุตั้เกต่การกระทำที่ตัดโลมาเป็นเครื่องสนับสนุนจะแสดงขึ้นมาภายใ น, ในใจิตใจเองเป็นคณิกะอุปจาระอปนานยาไปผ้าไปหมายอยาไปหาให้ชื่อให้นามยิ่งกว่าการเจอความจริงคือตัวจริงเข้าไป นี่เป็นความถูกต้องชื่อเหมือนอย่างนเรับทานอาหารหวานไม่หวานก็ช่างเถอะเด็กมันไม่ได้ไปเห็นไปเรียนวิชาความรู้ชื่อเสียงของอาหารการบริโภคขนมมาจากที่ไหนยื่นมันดูดิอันไหนอร่อยมันก็รู้เด็กมันรู้ตรงตั้งแต่มันไม่รู้ว่ามันหวานมันคขมมันอะไรชื่อน้ามันเป็นยังไงมันไี่แหลคำนึงถึงชื่อถึงงานความรู้ในตัวเองนั่นคือรสแบบรสธรรมชาติ อันนี้ก็ลดของสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ให้เป็นตามธรรมชาติทั้งตนที่ผิดขึ้นมาได้โดยลาําตังตนเองไม่เกี่ยวกับการคาดการณหมายให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามากคิดให้เสียเวลาแต่เป็นสมาธิประเภทใดก็จะรู้จะดินิสัยของเรามันเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทใดมันหนักไปในสมาธิประเภทใดก็ให้มันจะรู้ขึ้นมาในใจิตใจเมื่อเหตุเป็นเครื่องสนับสนุนโดยความสุบต่อกันอยู่แล้ว คือเหตุทีสติความเพียรเป็นเครื่องหนุนกันไปนล้จะเป็นความสงบสง บ, บวบีบีใดก็ตามเราทราบด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือจิตตามปกติมันพุ้งสรางลองการคิดนู่นนี่นี่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวแตพอพยายามภาวนามีธรรมเป็นหลักใจให้ใจยึดมีสติสต า, างค์บังคับบัญชาอยู่กับงานแห่งการบริกรรมหรือการกำหนดนั้นๆจิตไม่มีทางเลื่อนละไว้สี่ทางอื่น ที่ทําเป็นฤึธเป็นที่ทึิแล้วก็สงบตัวเข้าไปจะสงบแบบไหนก็าตามเมื่อสงบเข้าไปแล้วเราต้องทราบผลแห่งความสงบนั้นคืออะไรก็คือความสุขความสบายตามขัน้นแหงความสงบก็ทราบเองจะเป็นคณิกะอุปจารนะอัปนาก็ตามอยากไปฆ่าชีตให้เกี่ยวเรื่องมวลานะนี่เป็นการเป็นอุปสรรคต่ อ, อการพิจารณาด้วยก็เป็นอารมณ์อดีตเราเคยเห็นในตําราเราเคยยินจากครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนั้นนั่นนี่เป็นอารมณ์อดีตแล้วเอามาขัดขวาง งานในวงปัจจุบันของเราซึ่งกําลังกระทำอยู่นี้นั้นก็ทํางานปัจจุบันนี้ให้ล้มไปได้จิตแต่เป็มายู่อดีตโดยม่นเรื่สุกตัวไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตให้ลบล้างไว้ทั้งหมดในขณะที่ทํางานในวงปัจจุบันจะให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคิดจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ก็เราเรียนทำเพื่อรูป้ปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อรู้เราไม่ได้เพื่อหลงทำไมมันจะไม่รู้จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจะรู้เป็นในลักษณะใดชอบวิธีการอยงการภาวนา อย่างใดบทใดก็ตามมันจะรู้ขึ้นมามันเป็นส่วนผลประจับกับใจนี้แหละมันพูดไว้ถึงแบบเป็นข้าบัากไม่อย่างนั้นแต่เจลิตนิสัยของคนเรามันเหมือนกันเมื่อไหรามที่วานานาจิตต่า ง, งธรรมามีแปดหมื่นสี่พรนมาธรรมขันที่พอประมาณนี้ร่วนแล้วตั้งแต่เพื่อเจล็จจิตใจของคนจํานวนมากซึ่งไม่เหมือนกัน น, นั่นแหละเหมือนของคนไข้คําว่าคนไข้คําดียว ตีความหมายก ว, าวามม้างขวางไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใดไข้ชนิดในหลายประเภทแต่เรียวกว่คาคนไข้หมอจะมีตั้งประยาขนาดเดียววิชาแขนงเดียวได้เหรือต้องมีวิชาหลายนแขนงทั้องอยุททั้งยาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่โรค ม, มันมีจำนวนมากเนื่องจากคนมีจำนวนมากด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีแต่เพียงบทเดียวบาทเดียวก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่จริตนไสัมันเป็นมาจากที่ของตัดทั้งหลายไม่เหมือนกันมีจำนวนมาก ยังต้องมีบายวิธีสอนให้เหมาะสมไปทุกๆกรายไปตัวนี้ก็เป็นเรื่องมากเราจะไปคิดทห้มา่าใครรู้กับตัวของเราเป็นของสำคัญความตั้งมั่นสมาธิมันต้องมั่นไปถึงแต่สมาธิที่เป็นเหตุมั่นในความเพียรมั่นคงในความเพียรสติก็ ม, มั่น มวันไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนนี่ความเพียรเติมต้นเหตมันมั่นประจกักษ์นี้ผู้มีความเพียรกล้าผู้มีความเพียรมั่นคงดังนั้นผลก็ปรากฏเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นจิตอันมั่นคงสืบเนื่องมาจากความเพียรมั่นคงครับนะความสงบทุกขั้นเป็นบาดฐานของปรัชนาคือการพีนิพพ า, านไา้ขอให้จิตสงบเถอะ จิตใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสะดวกสบายคือจิตสงบนั้นคือจิตพออิ่มตัวจิต<ม>ไม่หิวหนะ้วโหยในอารมณ์ทั้งหลายเนื่องจากได้ทําเป็นอาหารของใจงใจมีความสงบเย็นใจก็ไม่ฟุงง้งซ่านลำคางไม่สายไม่แสบไม่มหิวห้วโหยเรานำไปพิจารณาทางด้านใดเมี่อใดสติปัญญาก็ทํา ง, งานให้เป็นเป็มเม็ดเต็มหน่อยความรู้จริงเห็นจรงเมื่อสติปัญญาทํางานให้เป็นเม็ดเต็มหน่อยด้วยความจะจอดต่อเนื่องกันอยู่แล้ว ต้องรู้ต้องเข้าใจไปโดยลํำดับลำดับมีฮาเ็นที่ลงใจสอนด้วยความแน่ใจสอนหนึ่งเพื่อนสอนด้วยการต้นต้นประดับสอนด้วยความแน่ใจว่าได้เคยปฏิบัติและปรากฏมาแล้วจึงแนะนํามาสอนหนุ่มเพปัญญาเขาแยกประเภทออกไปเป็นนั้นก็มัต้องไปคิดให้มากเมื่อปัญญามัน มีความคล่องตัวเพราะการฝึกปัญญาพิจารณาอยู่เสมอมันก็คล่องตัวไปเรื่อยๆมีความรวดเร็วไปเรื่อยๆเพียบแหลมไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อเนื่องกันไปโดยลำบากลำบากนะขึ้นปับการกับการฝึกหัดเนี่ยมันสมชื่อสมนามว่าเราบวชมาชำนาญพิเรยดอ่อย่าบวชมาหมอบกราบพ่เรย์โดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็เดินกราบพ่เรย์นั่งสมาธิภาวนาก็นั่งกราบพี่เรย์อยู่นั่นนั่น หมอกราบเกล็เวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะไม่มีสติมีแต่เรื่องของกิเด็กคิตอารมณ์มัน้นอารมณ์นี้เป็นเรื่องของกิเด็กจะทั้งมวลไม่เลยเป็นเรื่องมาทอนนาเพื่อกําจัดจิเด็กกลายเป็มาเสริมกิเด็กมาค้อยตามจิตเด็มาหมอกราบคาบแก้วเพราะว่าคือหมอกราบคราบแก้วไม่มีทางไปยอมอย่างหมอกราบเขาเรียกหมอกราบคาบแก้วอย่างนั้นอย่าให้เป็นนักต่อสู้เรา เราให้จรจงใหนึ่งมัเมีอะไรสาคัญยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของจิตการสังเกตสังเกตในตรงนั้นให้รู้เคลื่อนไหตวตลอดเวลาคืทสังขานความตรงสัญญาความหมายสัญญามีความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารเป็นไม่ไหนแม้ปฏิบัติมือนี้เราทราบอยู่นั้นเราทราบร่าละเอียดละเอียดมากสัญญาไม่ต้อง กระตรงขึ้นเป็นภาพเป็นภาพไปมันแสดงก็ให้เป็นภาพเหมือนกับน้ำนํำคำน้ํำคืนมันค่อยซึมออกมาเป็นน้ํามันได้เป็นขัญญาได้เป็นเรื่องเป็นลาได้สมัยเลยโดยไม่ต้องปรุงคือสัญญาแต่ยังไงก็ตามขึ้นชิวะขันห้าแล้วก็คือกองน้จังตุกข์ของหน้าตาถ้าเรารู้ถ้ถาเราม่รู้เท่าทันมันมันก็เป็นเครื่องมือหลอก ล, องลวงเราได้เพราะอะไรเป็นเครื่องมื อ, อกิเลสมันหลอกลวงเราไม่ต้องพยายามเอาให้กินให้จัง มาธิก็อยากให้เห็นในวงปฏิบัติของเราผู้บําเพ็ญภาวนาในหน้าที่อันนี้โดยจรงปัญญาก็อยากให้รูกเห็นด้วยใจของตัวเองมีแต่ฟังคําพูดของหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์มันก็อย่างว่าเน่ยเหมือนเราเดินไปแล้วไปชมตั้งแต่ตลาดของเขาสินค้าของเขาสมบัติของเขาแต่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเงินจะตังตะเบื้องเขาเป็นกระหว่าตัวก็ไม่มี ก็ดูไปนั่นแหละอันก็ชมเรื่องการสมบัติกองพระพุทธเจาาสมาธิสมาบัตินักฝนนิพพานชมด้วยเถิดเยื่อมากภูมิใจวช่าหมรู้มากเห็นมากเ้อไม่รู้มันรู้อะไรจังมองจังมองด้วยเถิดีตัวนึงก็ไม่เห็นหยุดรอยแต่พราความเหยน่รู้นั้นถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเพื่อใเลยจะไม่เกิดผลอะไรเรการจำมาข้าเเข้าใจท่านดีมันจะกลายเป็นโพชิลัคมันชิวา เวลาเปล่าเวลาเปล่าเรียนเปล่าเปอ่าหัวล้นเปล่าเปล่าตายทิงเปล่าเปล่ามีชันชันมาถล่มมาแสดงโปรักษต์่ันแปลหู้ยอกย้อนหลายสันพันขมโอ้ยถึงร้อยสั่พันขมทําเรื่องหัวล้นเปล่าหัวล้านเป่าเปล่าเอาเลยนี่ว่าหน้าทั้นตนนั้นเพราะทำคลิกได้ทุกนี่ทุกมุมให้ถึงใจของผู้ฟังทหมีใจใจฮึสู้เลยอยัเอาให้ต่าง ปัญญาต้องเกิดผู้พยายามผู้ขาดอุปโภคภอยู่เสมอยาไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางตัวเองเรื่องทั้งหลายส่วนมากเก้าสิบเ้าเปเ็นเป็รื่องดตทั้งนันเราจะได้ช่องเดียวอย่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์าไม่เอาจำนวนจากจะมีในเรื่องของพิเดตละเก้าสิบเก้าอาวุธเขามีเก้าสิบเก้าเรามีอาวุธอันเดียวสู้เขาไม่ได้เนั้นต้องฝึกขึ้นให้ดีเอาให้จริงให้จังทานพุทธมาร่างกายก็จริง เราพิจารณาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่พิจารณาเพื่อนับเอาเวลังเวลานับเอาเที่ยวของการพิจารณาแต่เราพิจารณาเพื่อความรู้จริงเหจริมันจะกี่ตลบทบทวนข้างใหม่เอาให้สิ่งให้จังบางครั้งจิตไม่ยิ่งขึ้ไม่เมินไปจนกระทั่งมันยอมตำหนิเราให้เห็นแั่ชัดๆหนึ่งมันยอมไม่จริงจริงจิก็บพิจิตร์นั้นแหละยอมเวลาช่วงวันจริงถึงเนี่ยถึงผนถึงเป็นถึสายด้วยจิตปัญญาของเราเหนือกว่าจริงนะมันหมอกราด เห็นรัศมีเดียวนั่นเห็นไม้นะขึ้นอุทานจะเป็นขนาดไหนเหนือสถิตปันญาที่พระพุทธ้าทรสอนไว้ไปได้หรือนะวัดเกจเดตัวมันผลมันมีมันผ่าผลถ้าติดปัญญาก็ต้องผ่าผลแต่ว่าม์กความเหมาะสมเครื่องปรากมันต้องผ่าผลมันอ่อนตัวลงมันก็มีเครื่องมือต่าลนไปเรื่อยเราจะเห็นได้เวลาจิตใจเวลาคิดนานในขณะขั้นเริ่มแรก มาปฏิบัติเนีโหจิตมันดิ้ น, นกวนโกลกางเหมือนเราจะสนตะไคร้ควายหัวอะไรเงี้ยมันจะชนเลยนะาท่า น, นสอบของอืมเันหนักเข้าหนักเข้าก็สู้คนไม่ได้สนตะาครเป็นได้อันนี้หนักเข้าหนักเข้าก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรพยายามไม่ได้มันก็อ่อนลงไปความกําลังลงไปสติปัญญาก็มีกําลังขึ้น จิตก็ตั้งหลับตั้งฐานว่ามีความร่มเย็นเป็นสุกไยในจิตใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวรีเดือดร้อนเป็นไฟเผาแกลบุูภายในจิตใจตลอดเวลาไฟเผาแกลบเป็นยังไงมันร้อนสมอยู่ในนั้นคือมันเผาเราสมอยู่มนไฟเผาแกลบลากมันออกเลิกมันออกด้วยความเปลี่ยนพอจิตมีความสงบแล้วมันเย็นไปเองไอ เรื่อแบบที่ร้อนส ม, มอยู่มันก็หายหน้าไปพอจิตมีความสมมงบตั้งตัวได้แล้วมีเป็นเคย เ, เ, เป็นนั่นแลราอย่านอนใจเสียงเป็นเท่านั้นเอาขยับเรื่อยอืขณะนั่งสมาธิเอาให้จริงให้จังกับสมาธิเ พ, พืพ่อความสงบขณะที่จะลาทางนันยาก็เอาให้จริงให้จังกับเรื่องของปัญญาห้ามายคิดคนดูตรงไหนแล้วจดจ่อตรงนั้นมันเกิดอุบายเองถ้าดูไม่จดจ่อแสดงว่ามมีสจิต กำหนดไปตรงไหนจะต่อไปตรงนั้นความรู้จดจ่อตรองนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรแย่ขึ้นมาอีกเหมือนปนุบาของสติปัญญาขึ้นมาเป็นครัง้งเป็นคราวไปเรื่อยๆให้มีสติตามการพิจารณาเถอะมันจะสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแยา่แย่ไปตรงไหนเข้าใจาไปเกิดความแยกับใครเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรืเ่อยๆเรื่อยๆเป็นทางปัญญาเริ่มไหวตัวเป็นอย่างนั้นมีขั้นเริ่มแรก ของการสุกติดเพื่อเป็นสมาธิก็ยากลํำบากนะแต่ไม่ถอยไม่ท้อความไม่ถอยจะไม่ได้ต้องเอาเอาจนหน้าสงบจนหน้าอ่อนกําลังจนหน้าพิจารณาธรรมากร่างกายไม่ว่าร่กายภายนอกภายในนม่ว่าสัตว์บุคคลพิจารณาเป็นป่าช้าผีดิตทั่วโลกก็ตามเป็นไหนอืมเราจะพอใจอยู่ไหม อยู่กับชาช้าผู้ดิบเราก็เป็นปา่าช้าเขาก็เป็นป่าชาต่างอันต่างเป็นปา่าช้าผู้ดิบเกินเลยในแผ่นดินนั่นีน้นแล้วน่าดูที่ไหนอันใดเป็นตาระพอเทียนที่พึงใจมันไม่มีแตาเทียรณาที่เนื่องอุปพระอุป ภ, าภาษษังปฏิปุณิโสครมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พูดเรื่องความตายอันนี้จังถึงเรื่อ ง, งตายฤทธทุกขังไปถึงชาติปุถคขาจะมานําไปุูุขังมันก็ถึงตาย มันก็มีแต่โลวกนี้มันเหมือนโลวกตาแล้วทั้นั้นนับวันนับเวลาเหมือนเขาก็เอาสัตว์เข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตัวนี้ไปนั่นั่งตัวนั้นไปนั่งนั่งตัวนั้นแต่งนั่งเลขึ้นมานั้นความตายมันจับจองไว้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหนุ่ว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลวัยใดก็ตามมันจองเอาแล้วแบบโดยสมบูรผู้นั้นผู้นั้นตายวันนั้นผู้นี้ตายวันนี้ตายวันนี้เราก็ถูกจับจองไว้แล้วนี้พี่น้ําเห็นมันเลย เรื่องของปัญญาทำนนมันเสริมเข้าประธานจิตเรานี่ก็ถูกจองกับตีกาไว้เลยเป็นเพียงเจ้าของไม่ทราบกา็กัดหญ้ากินหญ้าเลื่อยเปเหมือนวัวเหมือนควายเขาตีกาไว้บนท้าหรือบนหลังแล้วนะี่มีกาแล้วแสดงว่าวันวันใดวันหนึ่งตีกาไว้เล้ยอันนี้เขาก็ตีกาเลยนะพย า, ยามาตุลาส่วนนิจางความแปรสภาพมันตีกาตลอดเวลาอืม เสียงมันตีการี้ลั่นรกชาติเนี่ยจนหูดับดับไม้ตับงนี่ยถ้าเรามันเป็นเสียงมันแล้วก็ฟังได้โดยหูเรานี่หูมันแตกสมองแตกตาตาไปนละวเพราะเรื่องอันนี้ทางตุกข์ทา้าลมันกระเื่นโรกมันตีการ์สับอยู่ทั่วสารพรางร่างกายของเราในบ้านบนบนล่างทั่วทุกอวัยวะภายในร่างกายมีแต่กองทางทุกข์ทางน้ตาสับตีการ์แต่ตลอดเวลา ตื่นหลับมันก็ตีกายอยู่นั่นมันไม่หลับเราโดยเราตื่นขึ้นมามันก็ตีนั่งฉันอาหารดูว่าโอ๊ยมันี่อาหารอร่อยนะมันก็ตีกายทั้ท ง, ท ง, ทงทั้งําลังอร่อยเล่เฮ้ยใครมาลุ้ยเลยนั่นที่พิจารณามันซึ้งเงนินเลย น, นี่ลังมันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความจริงนี่เป็นทางเดินของกฎวัฏจักรเป็นอย่างนี้พี่นาให้เข้าใจขนสมบัติมันเป็นสาระสําคัญคือใจอย่าได้เป็นหมักดองอยู่ด้วยกันกับสิ่ง แล้ก็ปกโซมงึงไปก่องให้จังทนั้นการนี้ถอนตัวออกมาเพราะใจเป็นสาระสาคัญมากแต่ใจนั้นมีที่หาสาระไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่มีสาระร้ายอยก็เพราใจไปหลงติดอยู่ในอาจมแห่งความหาสาระไม่ได้ยานิจังตัว น, นั้นตางที่เทียบเหมือนอาจมแล้วมันจะมีสาระยังไงมันต่จนในอาจมแม้แต่ทองทั้งข้างไปจในอาจมมันยังไม่ น, มน่าดูอย่จิตใจมันเลิดิ้งกว่าทอง ท, ง ท, ง ท, งทงั้งแท่งไปไหนแล้วติดใจย กับอารมณ์คือทีโรภที่โกรธที่หลงแล้วมันมีคุณค่ามาจากไหนต้องพยายามเพื่อให้จิตได้ถอนตัวออกมาจากกองอันจังกองทุกข์ังก็บิบมันเอาเวลาหนะ้าตาไหนตรงไหนเป็นจนัตุนมือคนเป็นเราเป็นเขาปฏิวัตะไรที่ตรงไหนอแม้แ ต, ต่อยู่ในจิตมันนั่งนีแล้วไปหลงมันกินไหนเวลาที่จะงานเอามันงกินมันตายให้เห็นประจักษ์ภารกิพราะรทําเป็นของจร่นแล้วอย่า ปีงเกี่ยวกับความกินของธรรมที่ข้าแสดงไว้นิเรศกับธรรมสร้างเป็นค่าสุดเป็นเสมอเพระเนาะฉะนั้นกิเลสจุ ด, ดปานอจัยความเห็นความรู้ต่างๆที่แสดงมาจากใจของเราซึ่งค่านั้นกับธรรมะเสมอแล้ว อ, อย่าย่ำทาลายธรรมเดี๋ยวนี้จุดตัวอ๋ตัวนี้เอาให้ดีนาใมันเห็นมือันซึ่งลงไปซึ่งลงไปแล้วมันดีดเองกิจความเพียรดีดขึ้นเองเหนียวแน่นที่เจ้าแกลนักเรากแบไม่ถอย สติปัญญาก็เหมือนที่อยู่ที่พิจารณาจนเข้าใจเป็นที่เข้าใจเวลามันออกตะเวนนี่โหโลกธาตุนี่มันทั่วถึงหมดปัญญาขั้นตะเวนออกจากร่างกายของเทียบทุกสัตว์ทุกสว่วนทั่วสารทั่วโลกธาตุมันพิจารณาเป็นลักษณะดเดียวกันที่หมดไม่มีทางตรงสายจะทรงสายตรงไหนอะไรก็เหมือนกันแบบนี้มันยิ่งเขา้ายิ่งออกเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทีนี้จิต พลังของติดมันก็ย่นเข้ามาแคบเข้ามาเพราะกิเลสมันแคบเข้ามาเนื่องจากความหลงแคบเข้ามาใกล้ตัวเข้ามามีวงแคบเข้ามาไม่หลงเอาอย่างกวางขวางลึกลับจนกระทั่งมองมาเห็นเหมือนแต่ก่อนมีสติสัญญาเพื่ตีต้นมาได้ตีต้อนเข้ามาตีต้นเข้ามารวมมันเข้ามาสุดท้ายมันมีแต่กันห้าเนี้ยตีขันห้านะฮะมันแหลกละเอียดนี กองรูปก็เมือนรูปทั้งหลายอยู่แล้วเนื้อนาความสุขความทุกข์เฉยเฉยั่นตัวโลกมันก็มีอยู่ด้วยกันแต่ของโลกของศาลเขาของเป็นของเขาเขามันจะเป็นทุกข์ถึงเราอของเราไม่มันทำให้เกิดทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นมีปัญญาเห็นทัดเจนอย่างนั้นนมันวิ่งถึงกันเองนะไอเรื่องทุกขนาทนาสั้งขลายอย่างเพราะมันเกี่ยวยงกันไม่ใช่ว่าจะพิจารณาแล้วเสด็จอนนี้จะไปพิจารณานั้นเสด็จนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรก็เอาเถิดขอให้ปัญญามันอย่างซึ่งลงไปตามหลักความจริง เช่นหลักความจริงในในสังขารหรือหลักความจริงในสัญญาอันใดก็ตามมันจะวิ่งถึงกันมาแล้วข้าใจอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็ต้องปล่อยแล้วยเม่เข้าใจนล้ะมันถึงยึดนิรเวณเพื่วความรู้เดียนตจิตตภาวนาปฏิบัติทางภาคจิตตภาวนาเพื่อรู้เพื่อการใสเรื่องของตัวเองมันหลงมันร่มจมคือกับจริงมันจังทุกขังอนัตตาทั้งภายในนอกภายในรู้แจ้งของจริงตาม อย น, นี้แล้วสติปัญญามั น, น, น, นก็ถอยตัวเข้ามาคำันหมดที่จะลบที่หมดที่จะฟาดจะฟันมันก็ถอยเข้ามาถอยเ้ามาแล้วแคบเข้าไปแคบเข้าไปแล้วมทาทั้งสุดท้ายมันเหลืออยู่ที่จิตฟาดมันไหลเพื่ทั้งหมดเลยจะรลบซ่อนได้หรือในจีตเฟาดตรงตรงนั้นละเยละเอียดตรงนั้นแล้วที่ไหนสิอันนี้จังก็แล้วทุกครั้งก็แล้ว หางตาก็ได้ลอยวางไว้ตามจริงนั่นแหะทําทั้งสามประเภทนี้จริงเป็นทางเลยเพื่อไปนิพพานเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทําทั้งสามประการนี้ก็หมดหน้าที่ทั้งตัวไปเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงจุดที่หมายแล้วสายทางนั้นๆก็หมดความหมายหมดหน้าที่เลยติดใจแบบกล้าก็สายเราเป็นหนัอถึงจีดหมายแล้วก็ เอนี้งตัวางาที่พิจารณากันเหมือนธรรมจักันก็หยุดเองเครื่องจักรอันนี้เพราะเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องจักรที่พะที่พระันธัมเิเสเมื่อกี้ไม่มีแล้วหมุนติดเครื่องพระท่าใหม่นมียั่นงานขั้นพาราทําอย่างนี้องค์นั้นสเร็จนักผลนี่พานอยู่ที่หนองนี้สาเร็จอยู่ที่นี่ในเขาลูงนั้นในป่า น, นั้นฝันเม็ดทางานอย่างนี้ไม่มีงานที่วุ่นวายงานสังสมที่ อเกียรติยศชื่อเสียงอย่ามาพูดเลยมันลมๆแรงๆมันหลอกเจ้าของหลงบ้ากังเข้าใจเสียนี่เลยตัวเนี้ยสาคัญมันตัวหลอกเกียรติยศชื่อเสียงชื่อตรงไหนอะรมันจะยิ่งกว่าธรรมถ้าคุงไปให้มันเห็นธรรมภายใใจเถอะมันต่อยหมดนั่นเหนือเรื่องเสียเกียรติยศชื่อเสียงสมมตินิยมอะลรๆก็ตามมันเหมือนของเด็กเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนั่นถ้าลงเล่ห์เห็นของจริงแล้วมันต่อยหม ไม่มีอะไรที่จะเหลือตกค้างเลยขึ้นที่ว่าสมมุติไม่มีที่จะตกค้างในภาณังนั่นแหละเป็นผลพึงใจตัง้งแต่กาเรเดิมแรกลมลุกคุกบค้าจะเป็นแทบตายแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะการฝึกการอบรมการรักษาการบำรุงตัวเองย่อมมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยเพราะจงเห็นคุณค่าแหงการบำรุงรักษาปฏิบัติตนเกิดเองคือใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า ขึ้นใดในโลกงานคิดแต่ภาวนาให้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นเลเราจะเอางานอะงานอื่นมาเป็นเพิ่อแก้ความลำแขงนั่นคื อ, อความลำแขงคือการเพิ่มความลำแขงเข้าใจไหมเมื่อจิตมัเมตนเต็มที่เมนนื่น้ำพาสุกหมดมีวันจบได้งานของจิตตะภาวนามีวันจบได้ไหมเหมือนงานโลกทำไม่สำเร ทำไปจนกรั่ง <dar> ว <ren th in> ันตาตาด้วยความห่วงความใจยึดถือสิ่งต่างๆเป็นความทุกข์ทับถมตัวเองไปตลอดถึงภพหน้าหาความสุขความสบายไม่ได้เลยอยงานของกิตกรรมนานทำตั้งแต่แล้วหายห่วงอนาละโยหายห่วงทุกสิ่นทุกอย่างปล่อยไว้ตามเป็นสิ่งของเขาแม่ที่สุดในร่างกายของมันจะเป็นอะไรก็เป็นสิเขาลูกกันอยู่แล้วเรียนกันอยู่กันตายเวทนาจิตทําแน่ก็ตายตายเราเรียนแล้วมันเป็นไงเรื่องของกาย การทุกข้างห้าตาก็เต็มตัวนาจิตธรรมมันเมียนการทุกข้างหน้ตาเต็มตัวแล้วที่ท่านพูดไว้ในเวละสุดท้ายพระเพอธรรมนานางอันนิเรศายะทำทั้งครัวไม่ควรถืนมั่งนี่เวลานี้จะถึงที่ที่อยู่แล้วอยากไปกอดบันไดมาถึงที่แล้วให้ปล่อยบันไดอย่าไปกอดบันไดอยู่คนนี้คือว่าสุดท้ายนั้นให้ปล่อยบันได ควาทำทั้งหลายนันหมายถึงทาที่เป็นสมมติทั้งมวเลยแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ปล่อยจนกระทั่งบันไัยที่ก้าขึ้นให้ปล่อยหยุดทั้งๆที่พิจารณาอยู่อย่างเรื่องเริมบันเทิงในงานของตนขั้นนั้นขันละเอียดนั้นพอถงึงที่หมัดตาสามแล้วสินิีเป็นธรรมารต า, าทั้งมวลตอนม่มีอะไรเลย เลยจนั้นการทุกางนั้นตามใคคืออะไรนั่นไม่ใช่สมมุติไม่พูดก็ไม่หลงไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้เมื่อถึงขั้นรู้เต็มเป็นกู่แล้วไม่พูดก็รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ไม่สมมุติประจอมตากก็คือจอมปากทาจะให้คิดไม่มีอะไรที่จะไปเป็นปัญหาอีกแล้วมันเป็นปัญหากับโลกอันนี้แหละมันยุ่งกัยุ่งกับโลกอันนี้ทารันพิจนาให้กินให้จ่ เราไม่ได้หวังอะไรจากใครคำเคยเฉยๆนิ่งๆแล้วไม่เคยสนใจสมใจแต่เหตุผลที่จะให้สะดยชเป็นประโยชน์แก่โลกเท่นั้นเรามีความมุ่งตรงหัวใจของโลกเนั้นเป็นสิ่งที่เด่นในหัวใจเรานอกจนั้นไม่ไมาเป็นใหญในหัวใจเราได้ไเรื่องความสงสารเรายกให้เลยมันไม่ตาต้องตามให้แลกกรรชั้นแลกแลกรรมว่าเอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์นั้นให้เพื่อประโยชน์จริงๆนะเราให้เพื่อจิตใจมนะาบอกไี่เลย อยาเป็นตาเนา่าบขึ้นย่างบน ห, หินนะเรื่อนี้เรื่องลังทีนี้ไป แ, แล้วแต่เราแม่แต่เราณัฐปฏิบันนี้วางไม่ลขอให้มีภูมิิตเป็นขั้นไปถึงที่เทอกเมเพราะเราได้ตรวจเื้อเองแต่การตานเทศก็ไม่อะไรว่าไป ว, ไาวไ่าไปจบไม่ว่าไรจบด้วยองลสนใจเทวันไหนก็มันต้อง หายเงียหายเงียบเหมือนไม่เทศผมประเทศสร้างกันสักกี่ร้อยี่พันครั้งนี้ผมก็ไม่ไม่สนใจจะจำไม่สนใจจะทราบนะตอถึงเวลาปะเทศแล้วเอาขึ้นใปัจจุบันมีเรื่องว่าตามนั้นเรื่อยไปก็จบแล้วหายเงียบพร้อมเลยม่ว่าจะเทศที่ไหนเหมือนกันนะพระเจ้าในมลประเทศที่หนึ่งที่หนึ่งมีโครงการประเทศแบบนั้นหัวล้อมผมไม่ได้ เปนประเทศต่างโครงการถ้าจะให้ว่าไปตามญาติจริงก็ไปได้เทแบบไปยาตไปเรืก็ไปได้แต่ไม่ถึงใจเราด้วยไม่ถึงต่ผู้ฟังด้ยคือมันไม่ถนัดในใจเราว่าตามความจริงตามปรากฏนเด่นในหัวใจนี้ล่าอย่างนี้เขยิ้วตัวัวตัวตัวเลยถึงใจอย่างนี้เราไม่ไใจแต่ตั้งแต่ัวเนไหมล่ะครับคุ้ เล่มหลังเจาเาะะันเป็นบางกนกันนีดนพอเหมาะกับคนก็เ็ื่อไปอยู่ว่าเล่นเอาประจวบที่ถอดมาจากเล่มที่ ม, มนนะีแตกร่าสูงไปไม่พอเต็มคนนะแต่ความนั้นก็ดีเหมือนกันคิดเท่ากันพอทุกคนทั้นั้นผูปฏิบัติจิตใ จ, จเป็นไปทั้งายนั้นก็คือตรื่องนี้จะเป็นแหวนสองทางเดียว ไม่มนนีทางอื่นที่จะไปะจิดเมื่อจิดเป็นไปแล้วมันไม่มีคุณมีอาจาร์นะนอกจากค ร, รูอาจารย์องค์ไหนที่มีคุณคิดสูงกว่าเราทั้งนั้นเราถึงกับน้อมใจยอรับทำให้าาสูงกว่าแล้วมันรับไม่ได้ก็เหตุใดเขาพูดออกมานี่มันจะประกาศทุ่มตัวเองให้เราได้ทราบแล้วอถามอย่างนี้คิดเพื่อถามถอดถอนมันจะถิ่มาถามจิดทีด่จะ้องงั่นนั่นครั้นต่อมาก็รู้ เพราะฉะนั้นไม่ไม่รู้ในขั้นหนึ่งทำที่เรากำลังพิจารณาอย่างนี้ตอนน่อมาก็สุ่มฉีดบนห้านะนั่นหมะยควว่ามันมันก้มหัวลงเพื่อรับทําไม่ได้ตรง น, นั้นสมมติว่ายกยาทั้งที่มาคุ้มเลยคนไข้เหมือนนเป็นประโยชน์อะไรอันไหนจะถูกกับโรคคนไข้เป็นแมลายไปก็ยกมาที่จะมาฉีดก็ฉีดที่จะให้กินก็กินะอะไรก็แล้วนะแต่เออที่มันก็ถูกอย่างนี้หรือยกมาทั้งตู้่ะ อ้าระอะไรยาทั้งตู้โนทุ่มน่นแคนไข้ทำทั้งคำพีมัทุ่มเลยมันจะผู้ปฏิก็เหมือนกันรานั้นจมันงเป็นช่างประดวัวนะงนี้คือตนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบอกบ่บอ ก, บบอกชัๆห น, นึ่งในนั้นเลย กินโดยตอนตายมันลงท่องเดียวกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่สนใจคิดว่ามันซ้ํากันนะก็ความจีิมันมอย่ง น, น, นั้น ม, มันเป็นอย่างนั้นจะให้พูดเป็นยังไงที่อื่นได้หรือความความจริมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดตามความจีิงมันมันไปโลกเข้าเข้าถึงตรงนั้นมันก็เข้าท่องเดียวกันต่อไปแต่ว่าซ้ำก็ได้อันนี้แต่มันจะซ้ําแบบโลโลกมันเป็นความจําเป็น ให้เข้าช่องเดียวกันมีกี่รอยกี่พันคนประตูมีช่องเดียวต้องเข้านี้หมดแจะว่าคนเหล่านี้มาเข้าซ้ำรอยกันได้ไหมสมัยมีทางไปมันมีช่องเดียวทั้งบังคับให้เข้าช่องเดียวกันประตูช่องเดียวคนเป็นร้อยเปพันคนถ้ามีหลายช่องสิบช่องยี่สิบช่องคนจะออกท่องไหนตั้งไหนก็ได้แต่นี้มีช่องเดียวเป็นความจําเป็นออกช่องอื่นไม่ได้มีช่องพทธานั้นมีกี่รอยกี่พันคนก็ต้องมาออกช่องนี้และจะมาคนเหล่านั้นค่ะ ตั้อยกันไหมเดินตามหลังกันไหมไม่เห็นมีใครสนใจไปคิดเพราะความมันเป็นมันบอกอยู่แล้วต่างคนต่างทราบอันนี้ทําันนี่ก็เหมือนกันเป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วพูดเท่กว่าทราบผู้ปฏิบัติตามซึ่งควรจะทราบ อ, อ, อ, อยู่แล้วจกไม่ชราบได้ไห ต, ต้องทราบแต่ขึ้นต้นไปแปลเรื่องของเสืไม่ซ้ำกันนะ <c oughs> ที่เอามาตรวจ เ, เ, เก็บถห้ากรรมไม่เห็นซ้ำกัน ขึ้นแล้วช่องใางไปตรงกลางก็มาตัซ้ำนู่นถ้าทำมาเผ็ดร้อนทำมาสัมพันธ์สันนะตรงตาจะซ้ำกันมันจะจบกันเหมือนเหมือนกันหมดคิดเฉลี่ยแล้วกันนสามยี่มีแล้วคิดเฉลี่ยเริ่มแรกนี่แลยเริ่มจะเกิ้นมาเลือที่สองจะลดกันน้อยเพองว่าเดือเดือนนี้มันจะเป็นห้าสิกันึ่ แต่คนทสนีเป็นคนละเอียดห น, นาเขาพความเหมาะสมที่ห้าสิกันกขาพความเหมาะสมเล่นนั้นจะน้อยกว่านี้มีสี่สิบกว่ากันก็ตังก็เป็นความเหมาะสมของคนหนึองเส้นสีอื่นะม่อความนั้นทางใมันมคนห้ึห่เหมดแล้วเพราะเป็นคนละเอียดรามากเพ่าะนั้นเล่มนี้คุณจะหนากว่าเล่มนั้นอย่บ้างเหมือนกันผมนจะหอวว่าต่อหน้าจะไม่หนาเท<ม>่ากรื่อใจเร่องทางใจมันเจ็บว่าต่ อ, อหน้ายีง อันนี้น้ำหกร้อยกว่าส่วนเริ่มหลังอันนี้จะเป็นประมาณก็เสียกว่าหน้าได้ไหมคนเรค่อยๆสร้างขาเขามันบริจาคเรื่อยๆริจาคเดี๋ยวผมมันคนมิสัยมันถึงนิสัยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเนของผมนิสัยผมไม่ให้เลยมีคำพูดโม่มพูดมันได้จระส่าไหม ผมไม่พูดของละเอยดดุเกษตรงนี้ก็พอแล้วไหนที่ต้องไปพูดเรื่องกันทซึ่งขัดต่อนิสัยเจ้าของคือนมันขัดแล้วเราไม่ไม่ขัดมันขัดมันก็ผิดขันนิสัเราไม่เคยมาตัตหนใปเพราเราไม่เคยวนดใคมาตางไหนไเป็นความสะดวกขนาดเพืสเราแล้วบอกงั้นนี่มันเป็นความขัดเพื่อสาเราได้มากี่หืนกี่แสนมันก็ไม่เป็ปะยูน์อะมันมาขัดแล้วมันก็เป็นค่าสิทตรงข้าใจนี่แคุณ เป็นห้าสิบก่อนดีใส่เราไม่เอ า, อานี่กับพรเหลือมันมปนเงินเหลือทิแล้วเอาปริญญาที่สาวอยันมามาเทียบเทียมกั น, นนะมนาทำเป็นเองเพื่อความยินดนเพื่อเป็นแนวทางก็มีเป็นความยินข้อยินดันกันก็มี ค, มคมมือฝ่ายผลที่มันตากดขึ้นในจิ้ถึงจะแน่ใจอะไกรก็ตามความเราความวนี่คือขั้เ น, นาั้งนี้ประยะิยญญาสละไงอาหามันยินดกันกันมันก็วิ่ว ง, ะะงว่าโ้เฮ้เวลามันติดขังนี้ทั้งปริยญติละไง มันก็วิ่งวิ่นีระสางนีพระนั้นการเรียนรู้มากน้อยจึิงเกิดประโยชน์ในในขั้นปัญญาขั้นธรรมฐานขั้นไมกังวลถูกแต่กังวลไม่ได้เอาไปย้ายเข้ามานิดหนึ่งเป็นค่าสิทิ์ต่อกันเป็นอารมณ์จิตยังเข้าสูขข่ความไม่หมดไม่ได้เพราะจิตเป็นปริบันไม่ได้ยิ่งของนอกวิ่งของมันพอถึงขั้นปัญญามันมวิ่งได้นึ่งไม่ว่านอกว่าในกว้างแคบมันไปได้ข้าโลกกระทาสวานรค์ขั้นมนออก หนมันไม่ลืมเยค่ะเป็นความเป็นมาความผิดเป็นเงินเงนอันนี้อ่างอื่นลืมหมดอันนี้ไม่มีเลยเพามันอยู่ในจิตนั่งแลเข้ากับนั่นคือไม่ด น, นปัญหาจะา ส, ร, ะสะรุปอะไรกี่พนัพนละการตั้งใจถามบ้ญญางเห็นะหารนี่ถ้ามีความหลงดึเงดเป็นัรอ๋อหลงดึงเป็น มืนกับคนเราทั่วไปเปญญนี่ยภาสนานิจจาเรื่องของขันกิงทั้ทั้นมันรู้แล้วว่าหลวงดื่ม ม, มีไหมมีเพื่ออะไรปฏิธรรมปฏิธรรมทุกทุกใจรอดมากลืมได้นะอยู่ที่หัวใจนีทุกคนอยู่ที่หัวใจทัหมดไทยก็อยู่ที่หัวใจมารก็คือก็อยู่ที่หัวใจนี่รอคือความดับระดาที่ที่หัวใจนัน่นจะลืมได้ยังไงพูดถูกต้องนี่มนไม่ลืม สำคัญเป็นอย่า ง, งเราดีจแต่กระจายแรงเย็ยยนมามากน้อยนี่สุดนั้นสุดนี้ที่สู้ไห น, นที่ควรจะเที้ยงเกียงได้แล้วคำพีนันวิ่งทุกวันแต่ก่อนนี้ไม่ลืมพรุ่งยันเอาใหม่ใหม่แย่นี่มันลืมไปมากแล้วนันงํำพีนั่งคพี น, น, น, พนี่นอกจากเวลาทุบจะสัมผัสเลยถึงเก็ออกมาก็ไมเ่เต็มไม่เต็มหนื่อยนั้นแต่ก็แล้วกามันเต็มไม่เต็มเนหนืาอยมันจำ้ เพราะเราน่าคุ้นคว้าอยู่แล้ว เ, เร า, เร า, เราควรจะเนานทเน้นเราเราค้นคว้ามากจริงพระกายวิตตกอยู่ ว, ว่างๆไม่ทำอะไรพ้นไปตรงพระกายจิตตกถ้าจุดเขายิงนานันมันเดืดที่จิตไม่หมดดูเรื่องราวมาประอรกอบกันถ้าสุดเขา่งนาะมานันสาคัญวัตรธรมมันเป็นเรื่องของจิตเล่นมันก็แปลงใจิตไม่ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่ รธรรมะจะทำจิตไมก่ก็สนะัมผัสไม่ก็ชิดแบดูอะรดูบ้างแล้วมื่อวาอเรื่องของจิตของจิตของจิต้ความนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สนใจมันก็ถูตรเรื่องที่ไหนมันคนูเป็นคติเป็นองประกอบอะไรต่งตางๆควตนตงนี้เป็นตัวรากฐานอยวกไปเื่นวัตถุเล่นบุคคล ส่นธรมะตตรธรรมนั่นเป็นธรรมปฏิฐานเป็นอ่านั้นเราก็ไม่สงสัยอะไรแ่าวดูจะสอนใครจะสอนได้ยางไงอริยธรรมหนึ่งเมื่อมาถึงขั้นถืควรสอนได้สอนได้ย ไ, ไงแม้ถึงขั้นถืควรสอนก็สอนจะโยกมาสอนเฉพาะเฉพาะที่เหมาะกับภูมิของผูนนนนน้นั้นเท่านั้นเราจะยกมาทั้งคำพีอริยธรรมนั้น พระปรมาลัยได้ใม่ยกมาได้นดดนวนะการคุความคุณความมากพูดถึงเรื่องการคุณความก็คบขันผู้หญิงคนหนึ่งมาส่งด้วมามาสั่งมังนน น, นั้นไม่ดเดือนไหนก็สองเดือนผ่านมาแล้วคงเป็นเดือนมิถุนายนบอกว่าชบกันมากเขาทราบซึ่งในสือเคย นเขาพูดอขอประทานโทษนะหมาาที่เป็นหมามันก็ไม่สร้าเป็นความหลังบ้าแค่ไหนเพราะฉันเรียนจบแค่ปอสิ้เขาขาขันขอยู่ตรงนี้เขาเหมือนกัว่าเรานี่จบทั้งไหนท่านเจรจอยู่อยุันรู่นะะเราก็ตอบไปตอบบเดียวกันนะ อาจารย์ให้อภมาแล้วตังแต่คุณยังไม่เขียนนู่นเพราะอาจารย์จบแค่ปสามเท่านั้นผมบอกผมให้อภัตั้งแต่ยังไม่เขียนต้นหมายนุ่นผมว่าเพราะผมจบแค่ปสามนี่จบแค่ปสามเขาจบปสี่นี่มันมันมันก่อนเขียนสมัยแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราจึงบอกเราให้อภัยตั้งแต่คุณยังไม่เขียนเพราะคุณจบเพราะอาจารย์จบแค่ปสามเท่านั้นคุณจบถึงปสี่ยังดีกว่าอาจารย์้วอาจารย์ให้อภัยได้เลย นี่พาร์ตท้าตอสรุปความแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ลงชื่อหลวงพ่อปอสามมาเหพบขันด้วกันหลงพ่อปอสามมาเห <c oughs> ็นเอาควจริงก็อย่างนั้นทีน่ผมจบปอสามเท่านั้นเอยถ้าก่อนมันไม่มีปอสีน้งเรียนมันไม่มีปอสี่ปอสี่มีมาทีหลง พอสามน่าออกได้ออกได้ออไดนะแต่อาหารคูน เ, เ, เลือดอะไรหลายตัวนี้ได้สบายนะพอสามเดีอออก่อนี่คือปอสามบอกแต่เราหนงสือที่อย่างอื่นที่เรา ด, ดูเราไม่พูดก็เขาพูดในเป็นวงจํากัดเขาจบท่านนั้นทัานนี้เขาบอกท่านนั้นจะ น, นี้เราจะเรียนไปอะไรมากนอกอย่างไรเพรไม่เป็นชั้นเป็นภูมิเราจําเป็นเราต้อ ง, นนางมาพูดเราก็ต้องเอาชั้นภูมิ ของนิยมพูดกันส่งเขาว่าเขาจบป .4 ล้วก็จบแค่ป .3 เราก็บอกเราเกจดแค่ป .3 แต่แค่ระยะเวลาสามสามหมดนั่นแหะผมเนระียนทั้งโล ก, กจบแค่ป .3 นักทําเอกนักทําเอกผมกับสามใช่ไหมตรีโทเอกเน่กัสามประเดียนกับสามก็ไดยเป็นสามสามไปรเรื่อ3ข้อปอ .3 ผมกบขัน โ, โ, โรคโรคผมพดยังไงพิกรามเรื่องนะ้าตอนนั้นตอ น, นี้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามันบันแต่ทุกวัน น, นนี้มันคือปร ะ, ประกาศไปด้วยนะ<ม>ตอนเดโมเดนี่เ ย, ย็นแม่กระทั่งําก็เป็นเป็นโรกไปหมดแต่ก่อนนว้นโว้ยเอาจริงจังไม่ดูใครเสียภูมิอ่ะหาดูใครทำไมเสียภูมิไม่ได้ไมนได้เต็มภูมิใจขอรา เราเรียนมาขัาดี้ไ้เนี่เราถึงภูมิใจว่ะเรีมน็วรู้ก็เขียมาได้นะเรี็นไม่เยอะใจเราเป็นผมมือทุกวันเนี่ยโอยจอมป้อมนั้นเรียนลัดกันทั้งนั้นพวกขี้เกียจทำอะไรไม่เป็นช้นเป็นอันน่าจะชือจะเสียงวัดตํ้มขามเราก็จะไปดูแลเหมาะสม กว่างกวางเที children, society, ่ยวอยูบนหลังเขาที่ก <authorization> ว่างกว้างชอบเราไปแล้วเราชอบถูกตาเรื่องเขาแล้วมันชอบอย่าง้รก็ได้แหละเพรามันเคยกับเขาแน่ดูบนเขาหลังเขาสีหนูเวลาดึกดึกเงี้ยมันแตดดนะอากาศเหมือนกับมันค่อยคคลื่นคานเข้ามาหาเราเนี่ยละเอียดละเอียดนะอากาศละเอียดละเอียดเหมือนกัมันคลืบนคลานเข้ามาหาเาเข้ามาหาร่างกายจิตใจเรา อ, อากาศละเอียดอากาศละเอียดอากาศปิดอากาศทั้งหลายแต่อนกลางคืนี่อับด้วยนะที่อยืนในถน้ำยังไม่อากาศยังไม่ดีบางถ้ามไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบเพราะเราไม่ถือขังตรงนั้นตรงนี้ทานั้นทานี้นักแล้วถือถ้าว่าจะขังขังที่มั น, มนเป็นความสะดวกเหมาะสมในการบาเพ็ญคิจหน้าธรรมแล้วถือนั้นเป็นของขังการบําเพ็ญสะดวก ส, วกสบาย แล้วอยู่ก็สบายดูนีิตรที่ข้างเขาจนพิษสากจะแตกมันเหม็นเขียวที่ลึกนะังนั้นเราไม่อยู่อากาศอับๆเราไม่อยู่อยู่ก็อยู่อากาศโล่งๆสบายอยู่รับดังนั้นจะ อ, อยู่บนหลังถ้ำหลังเขาหนึ่งเลยแต่มันมีน้ํา ม, มาอยู่หลังเขาก็อยู่มันมีบรรยากาศันมีแอ่งน้า ม, มาเลยเป็นน้ำท่ำน้ําเขียว ม, มันอยู่อยู่บนหลังเขา อยู่สบายเลยกลางคืเนเงียบๆมันอากาศมันมันก็เงียกจริงๆนะมัเนเงียบหมดมีเสียงอะไรนะมีความรู้มันก็เด็น่นที่เมื่อความรู้มันเด่นมากๆจริงเป็นเหมือนกับกความรู้นี่มันสแสดงเสียงเป็นกลางวานด้วยความเด็นมันตัวเอง <c oughs> มันเป็นความรู้สึกงั่นคือความรู้นี่มันเด็นมากมันเด่นยังไงเพราะ มันจะได้ขั้นเด่นดด น, นั่นร่างกายเหมือนไม่เหมือนไม่มีนี่เป็นเป็นเงาเ ง, าเงาาาร่างกายเราคืออำนาจของความสว่างอำนาจความละเอียดของจิตมันกระจายออนหมดมันเห็ น, นร่างกายของต้องก้มล้องดูนี่ก็ดูนนะผมบางทีนะเพราะมันสง่าผ่าเผยมันสว่างกระจางแจ้งภายในจิตจนเป็นของวัตถจักรที่ร่างกายมันเหมือนอะไรนะเหมือน แก้วครอบตะเคียงเจ้าอยุแล้วเนี่ยคือมันทะลุออกหมดเลยความสว่างภายในทะลุแล้วครอบออกมาไมีอะไรกัดข้องนี่จุดตกกระจายตัวออกมาร่างกายจึงเป็นเพียงลองเหน่านี่ก็ประกอบกับอากาศดีๆนะทั้งคืนสงั่งัดด้วยแล้วความรู้นี่มันก็เด่นทต็ที่เลยร่างกายเหมือนไม่มีความหมายมีความหมายอยู่อันเดียวตั้งแต่จิตดวงรู้ๆเด่นๆเท่านั้นทีนี้จิต ที่ว่าสังกัดสงัดนะปกติกิจสังกัดอยู่แล้วไม่มีอะไรเข้ามากวนเลยมันมันไม่ยุ่งไป่กวนมันมันไปยุ่งกวนกับอะไรด้วยเพราะฉะนั้นกิจนี่ก็สงัดเป็นภูมิของมันแล้วความสังกัดเป็นภูมิมันนี่แหลจึงเป็นความที่เด่นมากความเด่นของมันนี่แหละที่นึ่งนะจึงเป็นเหมือนกับเกระแสเสียงส่งความตั้งวาออกมาครอบโลกฐานเนี่ยนั่นนะความเด่นความรู้ที่มันเด่นเด่นเหมือนก็เป็นเสียง กลางวางขึ้นมาดูกลางกลางว่างขึ้นมาด้วความเด่นแห่งความรู้เป็นเงียบภายนอกก็เงียบภายในยก็เงียบสนุกที่จะมาสนุกที่มาโอยนี่มันไม่มีความหมายเลยนี่มันพินาศแล้วอะไรที่จะเกิดเรื่องเกิดรามากน้อยดูชั่วประการใดมีจะออกจากจิตนีเ้คนนั้นไ่ะ ถ้าจิตไม่มีเรื่องสักอย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรในโลกนี้เหมือนโลกไม่มีมันเป็นความซึ้งขนานมันไม่ใช่ธรรมดามันซึ้งจิตมันเป็นเจ้าเรื่องที่พอมันหมดเรื่องแล้วมไม่มีอะไรไม่มีแต่ความยุ่งเหยิงนะไม่มีอะไรแสงขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรสมัครเกี่ยวข้องจนมันแสงขึ้นมามันจะคิดปุง น, นั้นนำอารมณ์นั้นเข้ามาไม่มี ที่โลกก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ให้ความหมายวันสิ่งนั้นมีสิ่ง น, นั้นดีสิ่ง น, นี้ชั่วที่นั้นสูงที่นี้ต่ำทันดำทีน้นขาวมั น, มนมเป็นความหมายของจิตทั้งนั้นที่ออกใส่พรอจิตมันนี่ออกไปไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางที่จะออกหรือมันมันหมดเรื่องของมันที่จะออกอะไรไปแล้วแต่เราจะพิจารณาบอกมันไม่เีไปเกี่ยวแล้วโลกก็เหมือนไม่มีเหมือนเดินเดียอันเดียวเท่า น, นั้นเราเราจะพูดว่ามีแต่นี้ย่างเงี้ยก็ได้พูดได้เป็นปากเพราะงั้นไม่มี อจุดเดวนี้เรื่องอาการของหยินนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยไม่หยุไม่ถอยนะเปลี่ยนมันจากความหยากขึ้นไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยนี่อาการนี้อเป็นอาการสมมติแต่เป็นความดีเปลี่ยนตัวไปเรื่ยเรื่อยจนกระทั่งถึงหมดความเปลี่ยนตัวแล้วกตัวสมมุติหมดมันก็หมดความเปลี่ยนเปี่ยนแปลงของอาการแล้วจะพูดว่าจิตไม่มีอาการก็นะ เมื่อเราไม่แยง้งเราเราไม่ขัดเรายอย่างเดียวเราพูดได้ทางนั้นเขาเดินจะขัดจะแยง้งอะไรก็เป็นเรื่องของเขาข อ, ข อ, ขขข อ, าขอให้เจ้าของอย่าขัดเจ้าของอย่ายเจ้าของเป็นความถนมัดเจ้าของแล้วมันพูดได้ทางนั้นแหละนี่ว่ามั น, น า, มมาเดินมันอะไรมันสองอย่างนะเดินก็ที่เียนอะเรียนมันก็เดินนั่มันเป็นวิชา มันก็เดินมันเดินไปแบบเดินไปแบบนี้เดินทำให้ดูจให้ดื้อให้ติดให้พันนี่นิดกันนะเดินแล้วเป็ติดพันด้วยนักข้าวอ้อยอินความเด็นนั้นคือความอ้อยอินให้ติดอย่างลึกซึง ส, งสตัวน้นเคื่อนับนะนั้นมันหมดไปแล้วนเดินก็ไม่ติดตัวเอง ไม่มีอะไรติดนทราบว่าเด่นก็ทราบระหว่างทำไม่ทราบมันเด่นอยู่แล้วผู้เด่นคือผู้รู้อยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบรอ้อาวฟาดลงไปด้ยผู้เหล่านี้ผู้รู้รู้ทุกคนนี่นั่นแหละจิด ต, ตรงนั้นแหละมอยู่ไหนอยากเจ๊ะอย่ามองข้ามจิต เวลานี้นมัลังเป็นเจ้าเรื่องยิดเ น, นี่ยมันยังเป็นเจ้าของมหาสมบัตรมันเป็นเจ้าเรื่องที่เดกดเป็นนายมันเป็นหาความอาศัศจรรย์ไม่ไ้เพราะที่เกิไม่ใช่ข อ, อามัชรเนียแล้วคำพูดทุกข์สงเนี่ยมันหัตรู้คือมันมื่อเราพูดแล้วเราจะมีปราม แล้วจ <ME> ิตเป็นขึ้นมาแล้วเมื hm ่อมันมีขีดสีลับบาง่าคำพูดทั้งหมดนี่มันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยครูวาาจาพูดมาถึงจิเยืนยัก็ตามเราจำมัยากเราลืมไปเสียเนี่ยพอถึงเราไป็นปุ๊บตรงนี้มันเป็นความจริงหนึ่งนะกลับอันนี้วิ่งเข้ากันเลยมันมีพยานหักฐาเข้าดึงกันกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บนพอเราตื่นมาปั๊บโอ้นี่ครูบาอาจาก็เชื่ฟังแล้วโอนี่ครูบาอาจารย์เชอฟังแล้วแต่ความทำไไม่เข้าใจ แล้วตานึจำไม่ได้ด้วยพอยืมโผลขึ้ขขนปุ๊ก็เข้าใจแล้วจำได้โอ้โหมีคนกระเทือนฟันแล้วออเ น, นี่น่งพูดเต็มากติดคือจเจ้าเยอะแล้วคอรู้รแต่เ น, น, น, นี่ยมันก็ไม่มีหรอกก็เหมือนเขาแย่ก็ไม่มี อย่างนี้กนี้ไม่มีการพูดการการกมุคลาลัยนี้โตแกาเวทคัทเวทคัทสุเลยมุคลาลก็สลายไปตัวม่อกมุลาลัยเป็นผู้นายนกเป็นของหลวงตาว้างตา พยายามเรื <Cornell>. ่อยตามให้ถ <c noir> ึงว่างผมก็ดูเองนั่นเอมันเป็นในหลักการอำเอกนะธราวิจารณ์ดังทำเอกโล่งไปกว่างต่างคือว่างจากัดต่าบุคคลจากตัวต่างตนจากเราจากเขาจากยิ่งจากขาดดีว่าส่วนนี้เองาะคุณน้าว่างไปอย่างนี้พอถึงขั้นมนว่างแล้วมันก็ว่างอันหนึ่งต่างกันนั่น กรรมมาแต่กันถึงนู่นต้นต้นมาทั้งถึงนู่นแหละวันนี้ว่าพยามวัดจิตเพื่อทำให้ทำถ้าเราจะไม่ถึงนี่วันนี้อย่างนี้บาคนผู้หกคนเพื่อถามมหาวาเมื่อคนนันกระดานหน้ามนกันนะมันก็เหมือนเด็กเด็กเลยเล่าจนถนักผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรพอที่จะคิดได้ไปถามผู้บาอาจารย์ งอด็กกระเดดตอนนั้นแม่ครูจ้กงก็อยากจอุปโนขโมยอุปโนขโมเรื่องเกิดที่เราอยากจเกิดที่นี่เรื่องน้อุปโนขอมยเกิดนี่เกิดจริงๆถ้ามีเชื้อให้เกิดม็เกิดจริงเรื้อท้ายเกิดเกิดจริงเชื้อบนล่างของมันเกิด หมาแว้าพระแม่ครูจันกําลังหลังมันนี่มันไม่มีอะไรกล่นเราหลงดูเมื่อรวเลืเหมือนทุกวันีด้านวัดโกมก็ไม่ใช่มีอะไรมาปลเกลือมากมาพระมาคันตลอที่อยู่่ใครก็ไม่รู้เพราะเรื่องมันมกระจายพระแม่ครู์มันที่อยู่เรื่องนันไม่ค่อยกระจายนะยันจากนั่งมาแล้วแต่ว่ายันยิ่งก็คือประวัติของขั้หนี่งสาคัญ ระวังท่านออกนิพพานจายมคนก็หลังไหลมาน้วมันก็จุดกาเป็นสักะาระปุสังขติกตาตายเสือรอดผู้เป็นธรรมังก็บเป็นผู้เป็นไปลืมตัวนะถึงทำมานักถือก็ก็บูาลืมตัวอ่าตรงนันต็มันเสื่อผู้เป็นธรรมนั้นทำอะไรก็ไม่ลืมยกสมบัติมาทั้งสามโลกทานมาเม่าให้ท่านองเดียวท่านก็ไม่ลืม ไม่เอาหงุดหงิดอะรทางกระบาร์ดูเยอะมันก็หนักไปตายแล้วหงนดหดอะไรอยาเงี้าเล้วมาให้อีกเมื่อเมาแบบมาหามเลยนะแบกทาแบบขันี่มันก็หนักพอลมพอตายแหละทางกระบาราดมันเสียเพราะท่าไม่มีอะไรจะยึดม่เห็นมีอะไรพิเศษวิเศพราะที่จะไปดุงจิตใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นหรือยังเขานับถือกระลุนตัวแล้ว มีคนเขาลบนับถือกะลมตัวท่านอนี้เราจะลืมเขาจะลบหนักถือตัวนีมเขาจะทำมีติสินิทากระลืมาเาเดิมเรื่องปากคนเรื่องโลกธรรมเรียนธรรมะเรียนโลกธรรมให้รู้อาจะมีรู้ตัวแล้วมันก็ไม่หยุดตัวเรื่องเรามันเกิดขึ้นจากตัวเขาทำมีนี้ก็เป็นคำออกจากปากเขาออกจากความคิดเขาก็สร้างถือขึ้นไป ผลก็เป็นของเขาเองแล้วไม่เห็นมือะไรถ้าเราเป็นสําคัญขึ้นมาสําคัญว่าเขากำหนดเราแล้วสําคัญว่าเขาว่าให้เราหนึ่งความสาคัญนี้สร้างขึ้นได้ในตัวเไม่พอใจในเขาหนั่มนสร้างขึ้นมานตัวก็ได้รับผลจริงไม่พอใจเกิดร้อนมีวาขึ้นมามีนเราสร้างขึ้นมาของเราเพราะใช้ยึดจากเขาแต่ไม่สร้างขึ้นมาของ ผานนี้ยเหมี as, as, as, es, es ts, ่ยม er er, ันจไปไหนตอนมันมีตะก้ามันมีกระบุงใส่นีม่ยงความให้เสืความโนรเคยความปีติีาผ่านหัวปั๊บปั๊ปับปบมันเป็นลมเปล่าวะถ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วเจาละนี้ืดเขาจิตมันพอแล้วมัรับอะไรยืดเข้ามาก็มันรับเลืองมากมันรับผ่านไปเนี้วคุณนับปาปัดหรือนับุคคลผู้อื่นเป็นระบาดน่ะได้แล้ว่ะ